พระเจ้าพระนิพล์สมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายก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 งูซึ่งเลยตรงเข้ามานั้นก็ลเลยหนีไปมีพระธธราชดำริว่าทรงปลอดภัยก็เพราะกระแตมาร้อให้ตื่นมันทมขึ้นจึงได้ทรงพระราชทานภัยแก่กระแตให้อาหารแก่กระแตในสวนนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าการันทกนิวาปะคือเป็นที่ให้เยื่อแก่กระแตเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ทําอันตรายแก่กระแตชื่อนี้ก็เรียกกันเรื่อยมา อนาถาปินณทิกาเศรษฐีในขณะที่ประทับอยู่ที่พระเวรวรร น, นั้นสมัยหนึ่งคฤหาบรีชาวกรุงสาวัตถีแวนโกศลชื่อว่าอนาถาปินทิกะได้เดินทางมาเกี่ยวกับกิจการที่กรุงราชพฤทธ์และได้พักที่บ้านของเศรษฐีกรุงราชพฤท์อนาถาปินทิกาคฤหาบดีนี้เป็นสามีของภคินีของเศรษฐีในกรุงราชคฤทธ์คำว่าภคินีนั้นเป็นผู้หญิงก็ได้ น้องหญิงก็ได้เมื่อต้องการจะพูดให้ชัดก็มีคาประกอบว่าเชพฐาัคคนีพี่หญิงกนิถาพัคคนีน้องหญิงแต่ถ้าใช้คำเดียวมักจะหมายความว่าน้องแต่ก็อาจหมายถึงกลางๆ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นอนาถาปินทิกะคารหาโมดีนี้จึงเป็นน้องเขยของเศรษฐีกรุงราชคฤืดหรืออาจจะเป็นพี่เขยก็ได้จึงมีความสัมพันธ์กัน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 แต่คราวนี้เห็นยุ่งอยู่กับการสั่งโน่นสั่งนี่พร้ะเศษฐีกรุงราชคริสสั่งการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มาสนทนาปราศัยกับอนาถปิณฑิกะอนาถปิณฑิกะก็ถามขึ้นว่าจะทำการงานอวหะวิวหาหะมงคลหรือว่าจะเชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนาหมาถวายการเลี้ยงหรือว่าจะาูชายยางใหญ่จึงได้สั่งให้เตรียมอาหารและสิ่งต่างๆไว้มากมาย เศรษฐีกรุงราชคฤต์ก็ตอบว่าไม่ได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลไม่ได้เชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนาแต่ว่าได้ประกอบมหายันย่างใหญ่คือได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุทธิ์สงมาสวยและฉันอนาถาปิณทิกะได้ยินคําว่าพุทธะก็เกิดความตื่นเต้นได้ถามขึ้นหลายครั้งหลายหนเศรษฐีกรุงราชคฤตก็กล่าวว่าได้นิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งที่สูง ม, มาสวยและฉันจึงแสดงความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีกรุงราชพฤก์ก็ตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาให้รอไว้วันรุ่งขึ้นอนาถาปินทิกฏก็ตั้งใจรออยู่ในคืนวันนั้นตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะไปเฝ้าแต่ก็ได้ตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนสว่างมีความต้องการจะไปเฝ้าเป็นอย่างมากจึงได้ลุกขึ้น และออกไปทางประตูมืองที่ชื่อว่าศีตะวันไปยังพระเวรุวันในเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตื่นบรรทมและได้เสด็จจงครมอยู่อนาถาปิณธิกะก็ได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลว่าทรงอยู่สบายดีหรือเป็นคำทักกันอย่างธรรมดาแต่ว่าสัมนนนทักในครั้งนั้นใช้ว่านอนสบายดีหรือหมายความว่าอยู่สบายดีหรือพระพุทธเจ้า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 ขันอนาณาถาปินทิกะกลับมาสู่บ้านของราชคฤอิกะเศรษฐีแล้วเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้ทราบก็ขอรับเป็นผู้จัดให้อนาถาปินทิกะก็ไม่ยอมว่าจะจัดเองหมายบ้านจนถึงพระเจ้าพิมพิสารได้ขอและได้ทรงขอช่วยจัดพระราชทานอนาถาปินทิกะก็คงไม่ยอมจะจัดเองเพราะว่าได้เตรียมผู้คนและสิ่งต่างๆไว้โดยพร้อมเพรียง อาณาถาปินทิกะก็จัดสิ่งต่างๆครั้นถึงเวลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมาที่บ้านของราชากษัตริย์เสถีครั้นสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วอาณาถาปินทิกะก็กราบทูลอาราธนาให้เสด็จไปประทับที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมอภิรม์สุญญาคารคือเรือนว่าง อนาถาปิณทิกาทูลว่าทราบแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไฟอนาถาปินทิกะครั้นจากธุรกิจต่างๆในกรุงราชคริสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากกรุงราชคริสกลับไปสู่กรุงสาวัตถีแวนโกศลและได้จัดเตรียมระยะทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากกรุงราชคฤิสไปสู่กรุงสาวัตถีได้สั่งให้จัดทําอารามจัดสร้างวิหารและกําหนดการถวายทาน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 เจ้าเชษ์ก็ต้องตกลงอนาถาปินทิกะก็ซื้อส่วนของเจ้าเชษ์นั้นด้วยวิธีเอาเงินมาเกลียจนเต็มพื้นที่เมื่อเอาเงินมาเกลียดครั้งแรกยังเหลือที่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ซุม้มเจ้าเชษ์ก็ขอเป็นผู้มีส่วนทําบุญด้วยในส่วนที่เหลือนั้นคือไม่ต้องเอาเงินมาเกลียดให้เต็มเป็นอันว่าที่ยังเหลืออีกหน่อยก็ยกให้เป็นการร่วมสร้างวัดด้วยอนาถาปินทิกะก็ยินยอม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 อนาถาปินทิกะและใช้ชื่อนี้กันในที่ทั่วๆวไปเจ้าเชษนั้นคำว่าเชตะแปลว่าชนะในอัจฉราอธิบายว่าเมื่อประสูติพระเจ้าแผ่นดินทรงชนะฆาศึกจึงได้พระเจาทานานามพระชุกุมารว่าเชตะเป็นนิมิตแห่งการชนะซึ่งถือว่าเป็นมงคลสวนของเจ้าเชษนี้เรียกว่าเชตวันเรามาใช้เป็นเชตุพลอย่างวัดพระเชตุพน เอาอุใส่เข้าไปอีกแต่เป็นภาษาไทยเป็นอารามของอนาถาปินทิกะคืออนาถาปินทิกะเป็นผู้สร้างถวายมาในขั้นอัตถะถาได้แสดงมูลค่าไว้ว่าค่าที่มีราคาถึงส8บปโกดค่าเสนาสนะอีกส8บปดโกดและเตรียมไว้สำหรับงานฉลองและกิจการอื่นอีกสิบแปดโกด ร, รวมเป็นห้าสิบสี่โกดอนาถาปินทิกะนี้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 ท่านเกิดในสกุลพราหมหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุใกล้กรุงกบิลพัทเป็นหลานของพระัญญาโกนธัญะเมื่อท่านพระอัญญาโกนธัญะไปประกาศพระศาสนาก็ได้ไปบ้านโทนวัตถุนี้และได้ชักนําหลานของท่านพู้นี้บวชครั้นท่านบวชให้หลานของท่านแล้วก็กลับไปส่วนพระปุณณนะยังคงพักอยู่ที่นั่น ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงผลที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้บวชกุรบุตรในที่นั้นอีกประมาณห้าร้อคนในอัตถกถาที่แสดงประวัติท่านได้เล่าว่าท่านได้แสดงคาถาวัตถุ ค, คือถ้อยคำที่ควรพูดสิอย่างที่ปรากฏขึ้นแก่ท่านเองสั่งสอนสิทธิคือหนึ่งอิชกักคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. สัตตุทิตกถา ถ้อยคำที่ชักนําให้มีความสันโดษ 3. ปวิเวกกถาถ้อยคําที่ชักนําให้หลีกออกหาความสงบสงบสี 4. อสังสาระกะถาถ้อยคําที่ชักนําให้ไม่รบกนด้วยหมู่คณะ 5. ้ริยารำพะกะถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปรารบความเพียร 6. กสีลกถาถ้อยคําที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถา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 เอตทัคคังท่านผู้นี้เป็นเลศในทางนั้นจึงนำเอาคำว่าเอตัทัค น, นี้มาใช้เรียกผู้ที่เป็นเลิศหรือเป็นยอดในทางใดทางหนึ่งเรื่องพระปุณณมันตานีบุตรนี้ควรจะเล่าไว้ก่อนพรกเจ้าเสด็จถึงกรุงกบินภั์ครั้งแรกสากยราชกุมารทั้งหกราชกุมารหองกับช่างกระระบบหนึ่งคนออกบวช เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุ่มกบิลพัทครั้งแรกที่เรามาแล้วนั้นเมื่อเสด็จกลับได้จาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงอนุปิยะอัมพวันแหวนมันละที่อยู่เบื้องหน้ากรุ่มกบิลพั์ในหนังสือบางเล่มบอกว่าไม่ใครกันนะได้มีสักยะราชกุมานหกองค์คือนาราชาอนุรุทธะอนันทะพักคุกิมพิละเทวทัตกับชนกระบวอีกหนึ่งคนชื่อว่าอุบาลี ได้ออกจากกรุงกบิลพัทตามพระพุทธเจ้าไปขอบวชที่อนุปิยอภวร น, นั้นมีเรื่องเล่าไว้ในสังคเพศขันต ก, กะโดยย่อว่ามีสักยาราชกุมารสององค์คือมหานามะผู้เป็นเชษฐากับอนุรุทธะผู้เป็นอนุชาอนุรุทธะผู้เป็นอนุชานั้นเป็นที่รักของมารดาเป็นอย่างยิ่งและได้รับทรรมุบำรุงให้เป็นสุขอยู่ด้วยการเล่นและเครื่องบำรงต่างๆจนกล่าวถึงว่า มีปร า, าสาทเป็นที่อยู่ในสามฤดูและได้รับทรานุบำรุงให้มีความสุขอยู่ในปร า, าสาททั้งสฤดูนั้นคล้ายกับพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เสด็จออกทรงพรันดวงส่วนมหานามะผู้เชษดาต้องประกอบการงานเพราะมีพระชนมายุมากกว่าสักยราชกุมารทั้งสองพระองค์นี้จึงได้หารือกันว่าได้มีสักยราชกุมารผู้มีชื่อเสียงอวอบวตามพระพุทธเจ้าคือจะทุกราชตระกูล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 แต่จะต้องเรียนเรื่องการทำมามหานามะก็สอนอนุรุทธะให้ทราบถึงวิธีทำนาตั้งแต่การไถการหว่านอนุรุทธะได้ยินดังนั้นก็ถามขึ้นว่าการงานนี้เมื่อไรจะเสร็จกันมหานามะก็ตอบว่าไม่มีเสร็จสิ้นต้องทำกันเรื่อยไปพระชนุกชนนีและบรรพบุรุษก็ทำการงานกันจนสิ้นพระชนไปตามๆกันแต่ว่าการงานก็ไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานไม่มีจบ อนุรุทธะก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พี่อยู่ทําการงานส่วนตนเองจะบวชจึงเข้าไปลามารดามารดาก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าเป็นที่รักของมารดามากอนุรุทธะก็อ้อนวอนถึงสามครั้งมารดาจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปชวนพัทยศาสกยาราชาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครองศสกยายราชสมบัติถ้าพระองค์ทรงบวช ด, ด้วยก็อนุญาต อนุรุทธาจึงเข้าไปฝ้าพัทยศัพยราชาและได้ทูลว่าการบวชของตนเนื่องด้วยพัทยราชาฝ่ายพัทยราชาก็ตรัสว่าถ้าบรรพชาของอนุรุทธะจะเนื่องหรือไม่เนื่องด้วยพระองค์ก็ตามเรากับท่านหรือคือพัิยราชากับอนุรุทธะท่านจงบวชตามสบายอนุรุทธาจึงพูดตกลงเอาทีเดียวว่าทั้งสองจะบวชด้วยกันพัทยราชาก็ตอบว่า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 เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องบวช ด, ด้วยกันพัทยราชาเมื่อตรัสพลาดออกไปแล้วจึงต้องท่งรักษาถ้อยคํรารักษาสัจจ์จึงได้ขอผัดว่าอีสักเจ็ดปีค่อยบวชอรุทธะไม่ยินยอมจึงลดมาโดยลําดับจนถึงเจ็ดวันก็ตกลงพัทยาราชาจึงท่งมอบไปสมบัติให้แก่พระโอรสและพระภาดาคือพี่น้องและระหว่างเจ็ดวันนั้นและได้ชักชวนกันอีกคืออานณัคะ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 ได้ทูลขอให้ทรงบวชอุบาลีซึ่งเป็นช่างกระระบบ ก, ก่อนเพื่อว่าเมื่อบวชเสร็จแล้วจะได้ทําความเคารพแก่อุบาลีซึ่งได้บวชแล้วเป็นการทําลายมานะคือความถือตัวถือตนพระพุทธเจ้าก็ส่งให้อุบาลีบวชก่อนสักยราชูมาลทั้งหกนั้นก็ทําความเคารพแก่พระอุบาลีซึ่งเคยเป็นช่างกระระบบของตนมาแล้วก็ทูลขอบวชพระพุทธเจ้าก็ประทานให้ทั้งหองค์นั้น อุปสมบทโัติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระญาณสังวงรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป